มัตรการถามใครสมมติว่าที่เราฝึกวิปัสสนาเนี่ยเพื่อเพื่อรู้เนี่ยค่ะช่วงแรกๆเนี่ยมันเหมือนแบบพยายามจะรู้ใชมครับมันไม่ได้รู้เธรรมชาตินะและนี้ถ้าเราพยายามจะรู้อยู่ทั้งวันเนี่ยมันก็ใช่ <laughs> ถ้ารู้ทันความอยากใช้ได้ไอ้ความพยายามจะรู้เนะี่ยคืออยาก <laughs> อยากดี อยากดีถ้าในแง่ของคนดีทั่วไปนะนะมันก็ดนะีแต่ในแง่ของวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการเป็นการบิดเบือนความจริงเรามีกิเลสเยอะนะเรามีสิ่งที่ไม่ดีเยอะถ้าสิ่งที่ไม่ดีมันโชว์ออกมาเนี่ยนะแลเรายอมรับได้รู้เฉยเฉยได้มันจะแสดงความจริงอย่างหนึ่งว่ากิเลสเหล่านั้นมีอยู่จริงแล้วดับไปจริงแต่ถ้าเห็นกิเลส แล้วมีความอยากดีพยายามจะมีสติเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดนั่นคืออยากดีเบื้องหลังของมันคือความโลภหรือตัณหาถ้าเรารู้ทันตัณหาใช้ได้ถ้ารู้ทันความผิดปกติทางใจคืออาการหลังจากตัณหาแล้วคือมันเกรง็งเกงแข็งแข็งเครียดเครียดรู้ทันความเกรง็งความแข็งความเครียดนั้นก็ใช้ได้ใช่มแต่ว่ า, บบาช่วงแรกเรา อ, อ, อาจจะเป็นลักษณะพยายาม ช่วงสุดคือพยายามจะรู้แต่หลังมันจะรู้เองโดยธรรมชาติเออถ้าธรรมชาติก็ดีธรรมชาติถ้ามันโชว์ให้เห็นนะมันจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยไม่ดีเลยกิเลสเยอะมากเลยแล้วถ้ายอมรับตรงนี้ได้นะจะไปง่ายเลยถ้าเราเห็นว่าตัวเองดีเมื่อไหร่นะมันจะชวนให้เกิดมานะดีกว่าคนอื่นดีเท่าคนอื่นประมาณนี้ จเจริญกรรมฐานแบบจเจริญสติแล้วเนี่ยนะจะพบว่าตัวเองเนี่ยร้ายร้ายมากร้ายสุดๆภาษาไปโรดฝุดฝุด <laughs>